กรรมมันยังลึกซึ้งกว่าไปกว่า น, นั้นอีกอย่างท่านว่าสเพชตาลัทะสัมปติโตโมริกาชนตุสเปชตรกรากามัะกากามะทายาธากามโยนิกามพันทุกามปฏิสระนายังกัมมังกริสันติกันยาหนังวาปาปกังว่า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 นี่มันมีกรรมอยู่นั่นแหละยังค่อยมาเกิดเป็นคนมาเป็นสัตว์สาราสิ่งปริการที่เกิดมานั้นล้วนแต่กรรมทั้งนั้นเนี่ยสเปสตากพระถาสัมปฏิโตมวิกาชันตุเราจะขับเราทำกรรมอะไรไว้ย่อมได้รับกรรม น, นั้น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 กรรมทากรรมสกาเราทํากรรมทายาทากรนัที่เราทําแล้วเราต้องรับเป็นทายาทคือว่าเป็นเป็นรับผลกรรมนั่นเองกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกําเนิดคือให้เกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์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 แก้กรรมแก้เวรได้โอ้โหตายแล้วใครจะไปแก้ได้เนาะเป็นอาชีพของเขาต่างหากแก้กรรมแก้เวรนนัะ้มันต้องมียกค้ายกครูอย่างน้อยตั้งสี่จีบหาที่บาขึ้นไปมันก็รวยด้วสิมันแก้กรรมได้เงั้ย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 ทั้งเป็นร้อยเป็นพันก็ซื้อกันบางทีลูกพระพุทธรูปนั่งอยู่ในโบสด์ดีๆเอาไปเป็นเครื่องคบงกับพันไปบนไปนเส้นสวงคนใมมีลูกไม่เจ้าไม่มีลูก ไ, ไ, ไม่หลานไปบนบานสาลเจ้าเอาพระพุทธรูปมาแล้วอะไรท่านจะมี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 เป็นโลหะอันหนึ่งต่างหากรูปเหรียญกับเป็นโลหะอันหนึ่งต่างหากจะไปศักศิษิ์วิจิตอะไรกันมาจะมาอธิบายนักหนาอธิบายจนคิดเกี่ยดอธิบายไม่เข้าใจทั้งเรื่องทั้งหลายแล้วนี่ถือรูปถือคุณอย่าไปถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์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 อ ย, ยงของฟันด้วยประการต่างๆ ม, มันกลัวตายตรงนั้นเครื่องเอานั้นเป็นที่พึ่งหาอื่นที่พึ่งไม่ได้อยากโชคอยากลาบอยากร่ารวยก็เอานั่นแหละมาเป็นเครื่องเป็นไอ้เครื่องมาเป็นโช ค, เ ป, โชคเป็นลาบนี่แหละพุทธศาสนา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 เจ้าชาติศัตรกูก็ถูกพระราชบุรยึดราชสมบัติเรียกว่าขบฏพระเจ้าพะเสนก็เป็นอุปถาของพระเจ้าจริงๆก็ถูกพระราบุตรขบฏคือยึดาสมบัติของพระองค์ในแก่ยูทธภพ พระร า, ารษฎรดกิดวิธุทภะพระองค์ไม่ช่วยยังไงได้นอกจากนั้นอีกในตนะ ก, กูลขาโง่ศาสตร์ไปจะราดกุ้มกบิธพัฒนมีจินห้าไปจำเป็นนิดนยอมสละชีวิตวิธุธภะไปลบลบหรอกแต่ไม่ใส่กระสุนไม่ใส่ลูกกระสุน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 ทุบในทุบพมคคัลานะั้นพวกโจรเข้าไปฟองลายท่านอยู่ถึงสี่เดือนดวงไปแล้วเข้ามาเวลาได้ท่นกระหอไปมีทิฏฐ า, าตาโนภาวนั้นขนาดนมามาข้างไหนก็ห่อหนีมาข้างไหนก็ห่อหนีเอมันหลายครั้งหลายหนี่ถึงขนาดนั้นท่านยังค่อยรู้เรื่องวจีกรรของท่านที่หลังก็เลยไม่หนี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 อละอธิบายตรงนี้ทุกคนใครก็ต้องการพ้นจากทุกคือต้องการดับกรรมนั่นเองคือต้องการพ้นจากทุกก็คือต้องการดับกรรมนั่นเองแต่ดับไม่ถูกเหมือนกับไฟฟ้าเลยนะโลงใหญ่มันดังตึกตึกึ๊ ก, กึกอยู่คนกระจายอยู่ทั่วหมด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 เราอาความทุกข์แล้วก็แล้วกันหอกชีวิตมันลำบากเ่อเกินทุกข์ยากเยอะเกินเยอเกินมาในโลกอันนี้เราคงทุกข์เค้นทุกข์เลวเท่านั้นก็พอแล้วมาผล น, นิพานอยู่างไรก็ช่างคือ